ตั้งใจทําความเพียร น, นะเอาใครเอามันนะในพระพุทธศาสนานี้ท่านบอกต้องช่วยเหลือตนเองต้องพึ่งพาอาศัยตนเองตั้งแต่เริ่มทีเดียวที่พวกเราก็ามาศึกษาในพระพุทธศาสนานี่นะก็โดยนัยยะที่ว่าพวกเราจะหาที่พึ่ง เพราะเห็นแล้วว่าสาระต่างๆในชีวิตที่ผ่านมาผ่านมาทั้งหมดนั่นแหะไม่มีสาระอะไรเลยที่เราก็มาศึกษาพระพุทธศาสนาได้มากับประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะมาหาสาระจะมาเอาของดีเพราะว่าเท่าที่แล้วมามันไม่มีของอะไรที่ดีมันไม่สิ่งไม่มีอะไรที่ดีเลยะ เราจะมาหาของดีในนี้ในนี้การเข้ามาในนี้นะ่ยท่านก็บอกไว้ตั้งแต่ต้นเลยแหละว่าไม่มีใครจะทำอะไรให้ใครได้ที่ครูบาอาจารย์ของพวกเรายัจะพูดเสมอเพระพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอัฏฐาตาโรตธาตาสถานโคตเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นส่วนการประพฤติการปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของแต่ละคน แต่ระท่านแต่ะองค์ใครรู้แล้วรู้ตามที่พระพุทธเจ้าบอกแล้วจะทาเอากระดักจะไม่ทาเอาก็ดั ก, ม ก, ดกหมายความว่าอย่างนั้นคือการที่พระพุทธองค์จัดบอกจัดสอนเนี่ยถ้าเราพิจารณาแล้วมันมาครึ่งทางแล้วถ้าจะให้เราขวนขวายเองนั้น มันไม่ใช่วิสัยเลยแต่แม้แต่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่จะมาตรัสตัดเป็นพระพุทธศาสนาไว้เนี่ยต้องบำเพ็ญบรารมีมาเรียกว่าขวนขวายค้นคว้าหาวิธีที่จะพ้นจากทุกเนี่ยเป็นเวลานานแสนนานบำเพ็ญพุทธบรารมีหลายๆลายประการมากทีเดียวบรารมีสิประการนั่นพระพุทธองค์ได้ทรงบำเพ็ญมา เพื่อบารมีสิทพัดบารมีสามสิทพัดอะรนใช้เวลาทั้งหมดหลายอสองไขยอย่างพระพุทธองค์ของเรานี่พระสมณะโพดมนี่ก็ต้องใช้เวลาถึงกระทั่งสี่อสองไขยแสนมหากรที่เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าประเภทที่ว่าปัญญาธิกะคือใช้เวลาในการบําเพ็ญพุทธบารมีนะน้อยที่สุดนะยังมีอีก เป็นประเภทที่ใช้เวลามากตรงนี้แปดอสองไขยแสนมหากับสิบหกอสองไขยแสนกัาบนั่นมันขนาดไหนกัาบหนึ่งกัาบหนึ่งเนี่ยท่านพูดกล่าวไว้ว่ามันนานนานขนาดที่ว่าเทียบได้กับว่ามีภูเขามีลูกหนึ่งสูงเสียบฟ้าร้อยปีจะมีผู้เอาผ้าแพรบางๆมามาลูบไปทีหนึ่งนั่นะ แล้วร้อยปีก็มารูบอีกทีรูบจนกระทั่งภูเขานั่นรากเรียบเสมอพืนน่ะนั่นแหละเรียกว่า ก, ากับหนึ่งอ่ะมันจะนานขนดาดไหนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญพุทธบ ร, รมีมานานทีเดียวเพื่อหาทางจัดสรุปเพื่อหาวิธีที่จะพ้นทุกข์นี่แหละเพื่อจะมาโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่จะหามาได้ไง่ายๆหรอก การที่พระองค์หามาทรงขวนขวายมาเพื่อพวกเพื่อสรรพสรรทั้งหลายคือพวกเรานี่ยนะเรียกว่าท่านหามาท่านดําเนินมาให้ช่วยครึ่งหนึ่งแล้วเกินครึ่งแล้วนะใครเราหาเองแล้วหาไม่ได้พอท่านหามาให้แล้วต้องดีขนาดนี้แล้วแล้วจากนั้นไปท่านบอกว่าอัคคาตาโตรตัธาคาตาท่านก็เป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อ จะทําหรือไม่ทํานั้นเป็นเรื่องของแต่ละคนอีกเพราะเหตุอย่างนี้แหละสรพรพสัตว์ทั้งหลายนี่จึงไม่ได้พ้นจากความทุกข์ยังไม่ได้สําเร็จมาคลนิพพานลงไปในบัตรเดียวพันหมดเกลี้งยงจึงไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็เพระาะว่าสรพรพสัตว์ทั้งหลายนี่มันเชื่อพระพุทธเจ้าบ้างไม่เชื่อบ้างบรรดาที่เชื่อก็เชื่อเชื่อไม่เต็มที่ เชื่อบ้างทำเหยาะเหยาะแย่แย่ประพฤติปฏิบัติเหยาะเหยะแย่แย่น่ยการประพฤติปฏิบัติไม่เคยเดินไปเดินยนั่งเพราะนนั่งก็่ก ไ, ไ, ไปนั่งมัวแต่พูดแต่คุยกันอย่างนี้อย่างคล้ายๆพวกเรานี่แหละบุคคลเหล่านี้แหละที่มันไม่ไปถึงมิจฉาบ ไ, ไปถึงนิพพา น, น, านอะไรให้ไม่ไปถึงไม่ไปบรรลุธรรมก็เลยตกค้างอยู่เพราะฉะนั้นสัพพะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็มีบางส่วนบางส่วนที่บรรลุ มาผลนิพพานพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไปได้แต่ส่วนที่ยังไม่พ้นก็จำเป็นจะต้องประพฤติปฏิบัติความต่อไปบางคนก็ไม่รู้จะปฏิบัติอะไรก็จะต้องมาศึกษาศึกษาพระพุทธศาสนาศึกษาให้เข้าใจว่าท่านสอนว่าอะไรจริงๆนะั่นและแล้วก็จะไปปฏิบัติในขณะที่มาศึกษานี่ยก็ยังหลงทางอีก หลงทางอีกนึกว่าเขาจะมาเอาดีเอาเด่นนึกว่าจะมาเอาชื่อเสียงโด่งดังนึกว่าจะมาเอาฤทธิ์เอาเดชนึกว่าจะเอาค่านิยมของผู้ของคนบางทีก็จะมาเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อจะให้เกิดลาภเกิดผลขึ้นมาม า, มากๆทรัพย์สมบัติมากๆเจริญรุ่งเ ร, องเรืองในชีวิตเนี่บางคนก็คิดอย่างนั้ น, น เรียกว่าแค่มาศึกษาก็ยังไม่เข้าใจมันยิงจะต้องใช้เวลาเหมือนกันใช้เวลาในการศึกษาให้เขา้าให้สนอกสนใจตั้างอกสั้งใจศึกษาจริงๆพระพุทธองค์นั้นที่จัดไว้เป็นคําสอนจริงๆนั้นท่านจัดสอนสองอย่างเท่านั้นแหละเรื่องทุกข์กับเรื่องค้นทุกข์นี่มีสองอย่างเท่านั้นแหละซึ่งรวมแล้วก็คืออริยสัจสี มีสองอย่างเทงนั้นเพราะฉะนั้นใครที่ขวัญขวายเข้าใจว่าที่มาศึกษานี่แล้วก็จะได้มีฤทธิ์มีเดชผู้ทิพตาธิพอะไรหนึ่งเป็นผู้ที่เข้าใจผิดทั้งหมดไม่ว่าเป็นพระก็เป็นพระที่เข้าใจผิดเ ป, นนเป็นเน่งก็เป็นเน่งที่เข้าใจผิดเป็นอุบาสกบาชิกาก็เป็นผู้ที่เข้าใจผิดทั้งนั้นอะ่ะไม่ได้นับหรอกว่าเป็นพระใหญ่พระเล็กเข้าใจผิดได้ทั้งนั้นไปมัวซนออกสนใจ บางคนก็วิ่งจเจริญเปิดเปิงไปจะไปหานี่ยนะไปหาลทิ์หาเดชเป็นวัคเป็นเวรอยู่จนแก่จนเท่าตายก็มีนะเนี่ยขนาดที่ว่ามาศึกษาเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยจะตรงไปยังหลงทางแวะอยู่ตรงโน้นแวะอยู่นี่หลงเข้าไปนิยมชมชื่นชมชอบอะไรสารพัดเราจะเห็นหรอสังเกตจะดีๆแล้วจะเห็นเนี่ขนาดศึกษาทีนี้ถ้าผู้ที่สนใจแล้วศึกษาล้วทร า, าบแล้ว ไม่จะต้องประพฤติปฏิบัติใจิตใจของตนเองให้มีสมถะให้มีวิปัสสนาถ้าศึกษาอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วจิตใจจะมีความสงบมีความสงบมีกำลังเมื่อมีกำลังแล้วก็จะเฉลียวฉลาดพระพุทธองค์ไม่ต้องได้มีพระประสงค์ว่าจะให้ไปเฉลียวฉลาดแล้วจะไปเห็นเทพเทวดาอะไรไม่ใช่จะหูทิพย์ตาทิพย์อะไรหรอก เ่านบอกถเฉลียวฉลาดแล้วมันจะได้รู้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงสิ่งที่เราควรจะรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องผุดทีปีศาจไม่ใช่เรื่องเทวดงเทวดาเทวบุตรอะไรสิ่งที่เราควรจะรู้หนึ่งคือสิ่งที่มันเป็นโทษของเราเนี่ยน่ะที่มันเป็นเครื่องยึดเครื่องเหนียวให้เราลากลูธัวกังมาเกิดเวียนเกิดเวียนตายอยู่เนี่ยท่านให้รู้อันนี้ท่านจึงว่า มีวิชาวิปัสนาวิปัสนาคือการที่ให้จิตมีความเฉลียวฉลาดให้พิจารณาเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงแล้วสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงท่านก็พูดไว้ด้วยนะท่านบอกว่าสิ่งทั้งหลายนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่ทำไมมันยืนเป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังมันเป็นอนัตตานี่ถ้าเราศึกษาให้ดีเราจะ เข้าไปรู้จักว่าทีจริงแล้วเราจะมามองสิ่งต่างๆรู้สิ่งต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับเรานี่แหละตัวเรานี่แหละเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับใจเรานี่แหละตามความเป็นจริงแล้วมันจะได้เห็นว่าสิ่งต่างๆไม่ควรไปยึดไปเอามาเพราะเอามาเอาอันไหนมามันก็มาหนักหนักเพราะอันนั้นท่านแนะนำให้ปล่อยให้วางออกแล้วอย่าไปเอามาอีกท่านว่าอย่างนั้น นี่ถ้าเป็นผู้ฉลาดต้องฉลาดานะจิต ด, ดวงที่ฉลาดจะต้องเป็นอย่างนี้คือจิตที่ไม่ไปยึดไม่ไปเอาลิษเดชก็ไม่เอาเทพเทวดาหูทิตาทิตย์ก็ไม่เอ า, เเ า, า, เ อ, าอะไรทั้งนั้นจิตที่ฉลาดจะต้องเป็นอย่างนั้นทีนี่เรารู้อย่างนี้แล้วการที่จะปฏิบัติไปนะถึงตรงนี้นะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยล้วนแต่เป็นเรื่องที่จะต้องใช้เวลาใช้ความภากความเพียรใช้ความพยันขันแข็ง ใช้ความอดความทนใช้หลายหายอย่างรวมแล้วก็คือต้องใช้บุญบา ร, รมีหลายหลายประการดังนั้นที่เรามาปฏิบัตินี่เนะี่ถ้าพูดอย่างชาวบ้านอย่างพวกเราทั้งหลายก็เรียกว่ามาสั่งสมบา ร, รมีสั่งสมบุญบา ร, รมีก็เริ่มมาตั้งแต่นู้นแหละทานบา ร, รมีสิบบารมีมาโน่นแหละจนกระทั่งพวกเรามานั่งภาวนายอยู่เนี่ยต้องสังเกตรรุจะได้แต่หลายอย่างหลายๆบา ร, รมีอยู่ในนี้ ความดีต่างๆที่สั่งสมรวมกันเขาเรียกบา ร, บ ร, บรมีถ้าสั่งสมบารมีมากขึ้นมากขึ้นกองนั่นก็มากกองนี้ก็มากยกตัวอย่างว่าในเรื่องอดทนก็มีมากในเรื่องความภากความเพียรก็มีมากในเรื่องเมตตาก็มีมากในเรื่องปัญญาก็มีมากอย่างนี้เป็นต้นสิบประการ ถ้าสะสมบารมีมากพอแล้วความเดือดร้อนหรือเพศภัยต่างๆความทุกข์ความเดือดรอ้ อ, ก อ, รอนกายก็ดีใจก็ดีโ ด, โดยเฉพาะใจนี่แหละจะค่อยๆสูญสลายไปมันจะค่อยๆเลือนล่างค่อยๆสูญค่อหายไปจิต ท, ที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งหวงอันนี้คือจุดประสงค์สูงสุดของพระพุทธศาสนา ไม่ใช่ว่าเที่ยวไปรู้นั่นรู้นี่อย่างที่กล่าวนั่นไม่ใช่หรอกพราะพระพุทธเจ้าต้องการให้พวกสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่มีจิตอันพน้นพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี่จะพ้นได้ก็เพราะโดยการศึกษาแลว้วก็ประพฤติปฏิบัติปฏิบัติสมถปะปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยเละนี่สองประการนี้แล้วจงเข้าใจว่าเท่าที่เราประพฤติปฏิบัติมานั้นไม่ใช่ศูญเปล่านะ ไม่ใช่ถึงนตาวทุกท่านทุกคนทุกองค์ที่มาอยู่ในนี้ประพฤติตั้งใจปฏิบัติเนี่ยเราตั้งใจมากตั้งใจดีแค่ไหนประพฤติปฏิบัติขนาดไหนย่อมเป็นผลที่สั่งสมรวมกันอยู่ไม่ได้ตกไม่ได้หล่นหายไปไหนหรอกเพราะฉะนั้นขอให้แน่ใจอย่าไปน้อย อ, อกน้อยใจเสีย อ, อกเสี้ยใ จ, ใจประธรรมานานแล้วไม่ได้อะไรมันได้อยู่แต่มันยังไม่เต็มภาชนะของเราคือใจของเรานั่นนะ ใจของเรามันหวังไว้มากคล้ายกับเราเอาปี๊บไบเบิลเลอร์อย่างเนี้นะแล้วจะไปนึกว่าทองคํา ม, มันจะมีมากไปควานขวายหาทั้งวันก็ได้มาสเก็ตหนึ่งเม็ดหนึ่งเดียวนึงเท่ากับเม็ดปี๊บเม็ดงาเนี่ยทีนี้มันก็ดูแล้วมันก็นานอันนี้กว่ามันจะเป็นความจริงเม็ดนั่นก็เป็นทองคําไปเก็บได้อีกชิ้นหนึ่งก็เป็นทองคําอีกเก็บมันยังชิ้นเล็ดเกิน เพราะฉะนั้นความดีต่างๆนี่มันต้องสั่งสมไปอย่างนี้แหละแล้วไม่มีใครจะมาสั่งสมให้ใครอย่างที่พูดไว้เป็นเถิน ต, ต้นมีนแต่ว่าทุกคนต้องสั่งสมเองทั้งนั้นคุณงามความดีต่างๆไม่ว่าในประเภทไหนที่เราทํามานี่ไม่สูญหายไปไหนหรอกสั่งสมอยู่ในจิตนี่แหละเพราะฉะนั้นให้มีกําลังใจเถอะตั้งใจทําคุณงามความดีให้เข้าใจว่าที่ผ่านๆมาเราทําน้อยมันจึงไม่ปรากฏ มันยังน้อยอยู่ส่วนผู้ที่ท่านธรมหนึ่งท่านปรากฏเป็นคุณธรรมขึ้นมาเป็นสมาธิกวเป็นฌานกวเป็นมิมิตนั่นเห็นนั่นเห็นนี่มีความสามารถพิเศษมียานพิเศษรู้จักเห็นอกเห็นใจคนรู้จักเห็นอะไรต่างๆในที่ลึกล้ำนี่แหะท่านทำของท่านมากท่านสังสมท่านมากท่านไม่ได้อยู่เฉยๆเหมือนพวกเราท่านเดินไปเดินมาท่านกำหนดจิตของท่านอยู่เสมอ ไม่ใเดินไปเลยมันมก็คุยกันชุยใช้ไปเรื่อยวันวันหนึ่งไม่มีอะไรไมีแต่จะไปหาเรื่องไปพบกันคุยกันนะั่นประเภทประดาญาแบบนี้คนเหล่านี้เนะี่ยมันก็เลยของที่มีคุณค่ามีราคาน้อยทั้งๆั้งที่ไปรับเวลากเสียไปเท่ากับเขานั่นแหละจะได้นิดเดียวแล้วพอมาถึงตอนหนึ่งก็บอกว่าตนเองภาวนาพอภาวนาไปแล้วก็ไม่ได้อะไรจิตใจก็ท้อก็ขอให้ปอไป สาเหตุมันเพราะเราทำน้อยทำในเรื่องที่มันจะเป็นชิ้นเป็นอันน่ยมันน้อยไปตังอง์ตั้งใจเสียต่อไปนี้ตังอ์ตั้งใจเสียขณะที่เราต่อไปนี้เราจะนั่งภาวนาด้วยท่านเทพหลวงปู่เนี่ยโดยเฉพาะกําหนดผิดไว้อย่าสรงนี้ไปไหนหลวงปู่ท่านเทพมาเราจะได้ทั้งสองอย่างนะยังได้ทั้งสมถะคือกําลังจิตกาลังใจของเราถ้าเรากํ า, าหนดไว้อยู่ตรงนี้มันย่อมได้แน่นอน ได้เป็นกำลังของจิตถ้ามีแง่อัดแง่ทำอะไรที่มาเกิดมาสะดุดเมื่อเราฟังไปสะดุดในจิตในใจเกิดได้แง่คิดขึ้นมาได้ปลอดโปรง่งทำให้เกิดความเข้าอกเข้าใจในจิตในใจต่อสภาวะธรรมทั้งหลายละไรเราก็อันนั้นแหละคือวิปัสนาเพราะฉะนั้นการฟังเทศเนี่ยขอให้ตั้งใจฟังเหมือนกันกาหนดจิตไว้มันจะเป็นยังไงจะอด ต้องอดต้องทนต้องอดก็อทนไว้กาหนดเลยเนี่ยจิตใจยอย่างนี้คือจะได้ประโยชน์มากเอาต่อไปนี้ฟังเทศหลวงปู่กัน